Mm hmm. ขอต้อนรับนะชาวครอบครัวเลมอนฟาร์มนะที่ได้เดินทางกันมาเพื่อที่จะใช้เวลาสามสี่วันนะที่วัดป่าสุกโตนะที่จริงสามสี่วันนี้ทราบหลายคนมันเป็นเวลาสาหรับการเที่ยวการท่องเที่ยวแสวงหาความสุขสนุกสนาน เพราะวันนานๆจะได้มีการหยุดติดต่อกันหลายวันแต่พวกเราเลือกที่จะมาใช้เวลาที่สําคัญอย่างนี้นะที่วัดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นานนุมโมทนาพวกเรามาวัดเสียแต่วันนี้นะเป็นเรื่องดีนะเราอย่าผัดผ่อเพราะว่าถ้าเราผัดพ่อแล้วนี่อาจจะ มีโอกาสดีแบบอย่างวันนี้ได้น้อยตอนนี้เรายัางมีกำลังวังชาอยู่นะก็ควรใช้เวลามาเพื่อที่จะได้พบสิ่งดีๆจากการมาอยู่วัดเพราะบางทีถ้าเราผัดผ่อนอาจจะไม่มีโอกาสอาลุงพ่อ พ, พยอมท่านพูดไปดีนะท่านบอกว่าเราจะเข้าวัดเอง หรือจะรอให้คนอื่นหามเราเข้าวัดเราจะสวดมนต์เองหรือจะรอให้พระสวดมนต์ให้เราจะพะนมมือเองหรือว่าเราจะรอให้สั ป, ปเหิ่อพนมมือให้อย่างไหนถึงจะดีนะงั้นถ้าเราลองมองแบบนี้แล้วเนี่ยนะมีโอกาสก็มาวัดจะดีกว่า เพราะบางทีเราอาจจะไม่มีโอกาสที่จะทำอย่างวันนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่ารอเราร อ, ร อ, รอผักผ่อนไปที่หลวงพ่พยอมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าชีวิตนี้มันไม่แน่นอนนะเราจะไปประมาทนะกับชีวิตแล้วความตายนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าไกลตัวนะ แม้กระทั่งสําหรับคนหนุ่มคนสาวหรือเด็กเนี่ยก็อย่าประมาทว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวอย่าไปคิดว่าความตายเป็นเรื่องของผู้เฒ่าผู้แก่จะต้องเผชิญในวันนี้วันพรุ่งความตายนี่มันใกล้ตัวเราทุกคนนะไม่เลือกอายุมีภาสิทธิทเบรนี่ก็พูดว่าหน้าฟังมากบอกว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาเก่อนเราอย่าไปคิดว่า พรุ่งนี้จะมาก่อนชาติหน้าเพราะว่าสําหรับหลายคนในวันนี้ไม่มีพรุ่งนี้สําหรับเขาแล้วพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยในแต่ละวันแต่ละวันนะมีคนที่จะต้องจากโลกนี้ไปประมาณแสนห้าหมื่นคนสำหรับคนเหล่านี้นี่มันไม่มีพรุ่งนี้แล้วละ่ะพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าและมันในบรรดาแสนห้าหมื่นคนนี่ ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครอาจจะเป็นเพื่อนของเราคนที่เรารู้จักอาจจะเป็นคนที่เรารักใกล้ชิดเราหรืออจะเป็นเราเองก็ได้เราจะประมาทไม่ได้มีพยาบาลคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าในช่วงสงกรานนี้เขาก็ไปเยี่ยมที่บ้านก็ดีใจได้เจอครอบครัวแล้วก็ได้พูดคุยกับ น้องชายนะก็สนุกสนานมีความสุขเพราะว่าสนิทสนมกันคุยกันสักพักน้องชายก็ขอตัวจะไปหาเพื่อนจะขีมม่มอเตอร์ไซค์ไปพี่สาวเห็นก็ทักว่าให้สวมหมวกกันน็อกน้องชายบอกว่าคนเราถ้ามันถึงคราวนะยังไงก็ต้องตาย เขาพูดอย่างนี้เนี่ยจริงๆก็คงคิดในใจว่าฉันเองยังไม่ถึงคราวตายหรอกแล้วเขาก็เลยขี่จักรยานโดยที่ไม่สวมหมวดกัอนน็อกบอกว่าไม่ถึงห้านาทีเท่านั้นแหละรถก็แหกโคง้งชนเสาไวฟวฟ้าตายเพิ่งเห็นหน้ากันหลั ด, ลดเลยนะเด็กก็ยีอ่อยุ่ยไม่มาไม่ถึงยี่สิบนี่เขาประมาทเพราะคิดว่าฉันเขายัง ยังหนุ่มอยู่แล้วก็ขี่จักรยานมาหลายครั้งแล้วนะก็ไม่เคยสวมหมดกันหรอกถึงแม้จะพูดว่าคนเราถึงคราวตายอยู่ที่ไหนก็ตายแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาคงไม่ได้คิดหรอกว่าคราวตายจะมาถึงเขาเร็วขณะนี้เจ้าเขาคิดเขาคงจะไม่ไม่ประมาทอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัว ใครจะไปรู้ถ้าเกิดว่าเราลงจากบันไดนี้ไปแล้วเกิดเราประมาทเนี่ยเราก็ตกหัวกระแทกพื้นนะก็าจะไปเลยก็ได้บางคนนั่งดูโทรทัศน์หัวเลาะนะรายการตลกหัวเลาะตอนนั้นกาลังนั่งก็ยิ้โยกอยู่หัวเลาะจนกระทั่งก็ยิ้โยกนี่มันมันล้มลงไปเลยปรากฏว่า หัวใจวายตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะประมาทไม่ได้เพราะฉนั้นเราต้องพร้อมนะเราต้องมีชีวิตพร้อมสําหรับการตายอยู่เสมอแล้วก็ต้องถือว่าความตายนี่มันเป็นหน้าที่ด้วยความตายเป็นหน้าที่ของทุกชีวิตนะและเป็นหน้าที่ของเราด้วย เกิดมาแล้วก็ต้องตายถ้าหากว่าเราพร้อมที่จะทำหน้าที่นี้มันก็จะได้สิทธิก็คือสิทธิที่จะตายอย่สงบทุกคนก็อยากจะตายสงบอยากจะตายดีทั้งนั้นแหละแต่ไม่เคยได้คิดเรื่องนี้เท่าไหร่คิดแต่ว่าจะมีชีวิตให้มันดีได้อย่างไรคิดแต่ชีวิตที่ดีแต่ไม่เคยได้คิดถึงเรื่องการตายที่ดีแต่คิดบ้างก็ดีนะเพราะว่า มันจะได้ทำให้เรามีเวลาเตรียมตัวแลการตายที่ดีก็หมานการตายสงบนนในพุทธศาสนาไม่หลงตายไม่ตายแบบทุรนทุรายและการที่คนเราจะตายสงบตายดีได้เนี่ ย, ยก็ต่อเมื่อเราทำหน้าที่นะเพราะว่าหน้าที่กับสิทธิมาด้กัน อยาจะตายดีตายสงบก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีต่อความตายก็คื อ, อยอมรับว่าบบมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องตายไม่ปฏิเสธหลายคนนี่พยายามปฏิเสธหน้าที่นี้พยายามหนีความตายอันนี้เรียกว่าไม่พยายามทําหน้าที่บายเบี่ยงหลีกเลี่ยงหน้าที่เพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้สิทธิสิทธิที่จะตายสงบเมื่อกี้ก็ได้บอกแล้วว่าการตายมันเป็นหน้าที่ของทุกชีวิต นะการที่เรามีชีวิตได้มีสุขภาพดีนะดำเนินชีวิตได ต, ตามปกติก็เพราะว่าทุกเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยเขายินยอมพร้อมใจที่จะตายเมื่อถึงเวลาเขาไม่ใยเบี่ยงนะการตายเป็นหน้าที่ของทุกเซลล์ในร่างกายเราในทุกขณะนี่ก็ตายกันไปเป็นร้อยเป็นพันหรือเป็นล้านเซลล์ วันนึงนี้ก็มีเซลล์ในร่างกายตายอย่างน้อยก็ห้าหมื่นล้านเซลล์เยอะมากเขาตายเพื่อให้เราสามารถจะดําเนินชีวิตอยู่ได้เป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องตายหลังจากแบ่งตัวได้ถึงจนหนึ่งเขาก็ก็ขอตายเพื่อให้เราสามารถจะดําเนินชีวิตอยู่ได้อย่างปกติแล้วก็เพื่อให้เซลล์อื่นได้โตถ้าเซลล์ตัวไหนไม่ตายเนี่ย อันนั้นเป็นปัญหาแล้วล่ะเซลล์ที่ไม่ยอมตายเราเรียกว่าเซลล์อะไรรู้ไหมเราเรียกว่าเซลล์เมล็งเซลล์เมล็งคือเซลล์ที่ไม่ยอมตายมันแบ่งตัวไปเรื่อยๆที่เรากลัวเซลล์เมล็งกันก็เพราะว่ามันไม่ยอมตายพอมันไม่ยอมตายมันก็เลยสร้างปัญหามันไม่ยอมทําหน้าที่มันก็เลยสร้างปัญหาและมันไม่ยอมตายจริงนะ มันมีเมื่อสักกห้าสิบปีก่อนนี่มันมีคนผู้หญิงคนนึงเป็นมะเร็งมดลูกเขาก็ตัดเอาชิ้นเนื้อเอาแค่เซลล์นะเอาเซลล์ของผู้หญิงคนนี้มาเป็นชาวอเมริกรันผิวดำแล้วเขาก็มาเลี้ยงในในจานนะั้นในห้องแล็บอกว่ามันมันแบ่งเซลล์ไม่หยุดเลยนะแล้วก็ก็มีคนขอไปห้องแล็บต่างๆทั่วโลกก็ขอไปเพื่ อ, อไปใช้ในการศึกษา จนถึงปัจจุบันนี่มีคนประมาณว่าเซลล์ที่มันแบ่งตัวไม่หยุดเนี่ยรวมกันแล้วนี่ประมาณห้าสิบล้านตันห้าสิบล้านตันนี่มันขนาดไหนอ่ะเครื่องบินหนึ่งลำก็ยังไม่ถึงเลยมั้งเซลล์ที่ไม่มีน้ําหนักนี่แต่มันแบ่งตัวไม่หยุดนะมันไม่ยอมตายมันแบ่งไปเรื่อยๆรวบรวมกันแล้ว่ในห้องแลบทั่วโลนี่ห้าสิบล้านตันแล้วก็ถ้าผ่านไปอีกสักสิบยี่ิบปีคงเป็นร้อยตันแล้ว นี่คือเซลล์ที่ไม่ยอมตายเซลล์อมตะเราอยากเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเราเป็นแบบนั้นเราก็คือมันเ็งหรือเราก็จะกลายเป็นมันเลงเลยถ้าเราไม่ยอมตายแบบนั้นงั้นถ้าอยากเป็นอมตะก็ต้องเตรียมตัวนะเป็นเป็นมะเเลงของโลกนะงั้นการตายมันเป็นหน้าที่ของทุกชีวิตนะเราตายเพื่อจะให้ให้คนอื่นเขาได้มีโอกาสได้อยู่สบาย เขาจะได้มีโอกาสได้ใช้ทรัพยากรในโลกนี้ไม่ใช่ให้เราผูกขาดจนชั่วฟ้าดินสลายงั้นเราก็ต้องพร้อมที่จะทําหน้าที่นี้การพร้อมที่จะทําหน้าที่นี้ก็หมายถึงการที่เรามีชีวิตแบบชนิดที่ว่าพร้อมที่จะตายได้ทุกเวลามันหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเราพยายามทําความดีอยู่เสมอ พยายามทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เสมอไม่ใช่ว่าไปรอสร้างเอาตอนจะตายแล้วพอจะตายค่อยทําบุญถาวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาอันนั้นมันประมาทแล้วก็ช้าไปนะถ้าเราพยายามสร้างความดีเสมอคือทําหน้าที่ของเราให้ดีในฐานะที่เป็นมนุษย์ทําความดีสร้างกุศลแล้วก็ทําหน้าที่ต่อพ่อต่อแม่นะต่อ คนที่เรารักเช่นลูกหลานถ้าว่าเราทำหน้าที่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยก็ทำให้เราพร้อมที่จะตายมากขึ้นหลายคนไม่พร้อมที่จะตายเพราะว่าไปนึกเป็นห่วงห่วงลูกห่วงหลานห่วงพ่อแม่มางคนห่วงว่ามรดกยังไม่ได้แบ่งเลยไม่ทันจะแบ่งเลยกาลังจะตายแล้วหรือนี่ หรือว่าไม่ได้อบรมสั่งสอนลูกให้ดีหรือว่าไม่ได้มีเวลาดูแลแม่ให้ดีพอจะตายเขาก็เป็นทุกข์ทุรนทุรายไม่ยอมตายเพราะว่าเป็นห่วงเขาเนื่องจากไม่ได้ทําหน้าที่กับเขาให้มันดีนะตอนที่มีสุขภาพดีหรือมีกําลังวังชาแต่ถ้าเรานะทําความดีทําหน้าที่ให้ถึงพร้อมครบถ้วนเนี่ย ให้ความตายมันจะไม่น่ากลัวนะพระโพธิสัตว์นั้นตัดเป็นคาถาพูดเป็นคาถาพระโพธิสัตก็หมายถึงพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้เขาบอกว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมย่อมไม่กลัวปัลโลเมื่อใจตั้งมั่นในธรรมเราก็ไม่กลัวพบหน้าคือคือไม่กลัวความตายนั่นแหละในที่หนึ่งท่านก็บอกว่าถ้าเราไม่เคยทําช่วยในที่ไหนเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึง ว่านันอยากการทาความดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามระเว้นการทำความชั่วนะการผิดศีลนะหรือว่าอะไรที่มันมากกว่า น, นั้นเช่นการสร้างความทุกข์ร้อนเดือดร้อนให้กับผู้อื่นบางคนจะตายนี่ก็ผวาร้องครวญครางเพราะว่าไปเห็นสัตว์ที่ตัวเองเคยฆ่าเป็นประจำมันมาหลอกหลอนอันนี้เขาเรียกว่ากำลนิมิต บางครั้งก็เห็นหน้าคนตายที่ตัว่างเคยฆ่าอันนี้ก็เรียกาตายไม่สงบแต่บางทีมันก็ไม่ใช่เป็นบาป ท, ที่ชะ ก, กันในระท่าไหลนะอาจารย์การชีพท่านเคยเล่าไปไปเยี่ยมชาวบ้านคนหนึ่งที่เจ็ดสิบแล้วตัญยานชีพแล้วก็แย่ลงไปเรื่อยๆแต่ว่าแกทำท่ามันก็ไม่ยอมตาย มีอาการทุรนทุรายก็แสดงว่ามีปัญหาจิตใจพอสอบถามก็ได้ความว่าเมื่อห้าสิบปีก่อนเนี่ยแกเคยแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งพอผู้หญิงทองได้สามเดือนแกก็ทิ้งเข้าไปผ่านมาห้าสิบปีแกพึ่งมานึกได้ว่าได้ทำสิ่งที่ไม่สมควรก็เลยอยากจะรู้ว่า สองคนนั่นคือเมียเก่าแล้วก็ลูกชายในลูกในท้องเป็นอย่างไรตายไม่ได้จนกว่าจะรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรไ ม, ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยเพิ่งมาบอกกับพระพอลูกชายจากเมียคนที่สองวันที่สามไปสอบถามตามไปถึงบ้านเก่าของแ ก, กบอกว่าตายทั้งคู่แล้วไม่มีใครกล้ามาบอกแก่ต้องให้พระมาบอกพอพระบอก ไม่ทันจบประโยชน์เลยแกก็อันหลังให้แล้วก็ร้องไห้รู้สึกผิดนะที่ว่าได้ทําสิ่งที่ไม่ดีกับเมียเก่าแล้วก็ลูกในท้องอันนี้ก็ทําให้ตายลําบากนะแต่ว่ายัางโชคดีที่อาจารย์กัญชิตท่านก็พยายามช่วยจนทั่งทำให้เขาตายสงบได้ก็คือช่วยให้เขาทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปพอได้ทําบุญแล้วจ้าก็ใจสบาย แต่ถ้าไม่มีคนมาช่วยแบบนี้นี่ก็คงตายไม่ตาไม่หลับอะนะวันที่ตายตาเปิดก็มีการทําความดนะีการรักษาศรรีลสร้างบุญก็สร้างกุศลการทําหน้าที่เนี่สำคัญมากมันให้ความสุขทั้งในยามที่มีชีวิตแล้วก็ในยามที่จะตายก็ไปอย่างสงบได้อันหนึ่งที่ทําให้คนเราไม่สามารถจะตายสงบแล้วก็พยายามต่อต้านความตาย พยายามดิ้นรนต่อสู้ตองที่ร่างกายมันไม่ไหวแล้วเนี่ยก็คือให้ความห่วงความยึดติดไม่ใช่แค่ยึดติดเรื่องลูกเรื่องหลานนะบางคนก็ไม่ยอมตายเพราะว่ายึดติดในเรื่องทรัพย์สมบัติอย่างในสายวจการนะก็มีเรื่องของพระที่ ท่านได้จีวอใหม่มาจากพี่สาวนะอุตสาทอเองเลยสมัยก่อนจีวอมันหา ย, ยากก็ท่านได้ได้จีวอ น, นั่นแหละนะแต่ไม่ทันได้ครองก็เกิดมรณะภาพกระทันหันจิตนะสุดท้ายเนี่ยเป็นนึกถึงจีวอด้วยความอาลัยไม่รู้ว่าอาลัยที่ไม่ได้ครองหรืออาลัยที่ไม่ได้สนองศรัทธาโยมพี่สาวก็ปรกากฏไปเกิดเป็นเป็นเลนนะอยู่กับจีวอนนั่นแหละ ไม่ยอมไปจากจีวอนนั้นอันนั้นมันเป็นเรื่องของชาติต่อไปหลังตายนะแต่ว่าหลายคนเขาก็ทรมานะก่อนที่จะตายห่วงห่วงทรัพย์สมบัติ ม, มีคนหนึ่งนี่เป็นคุณยายนี่อาการแกก็หนักเรื่อยๆที่โรงพยาบาล หมอก็เห็นว่าอาการแย่นี้ก็คงจะใกล้ตายแล้วก็เลยพูดนําทางปล่อยวางปล่อยวางเรื่องลูกปล่อยวางเรื่องเรื่องหลานพอพูดเรื่องปล่อยวางทั้งเรื่องทรัพสมบัตินี่แกทําหน้านิ้วคิ้วขมวดเหมือนกับไม่อยากฟังต่อต้านสัญญาชีวแกก็แยกออไปเรื่อยๆแกแกไม่ยอมตายเพราะว่าแกยังห่วงทรัพย์สมบัติรู้ได้อย่างไรรู้ได้ก็เพราะว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยวันต่อมา เพื่อนบ้านแกรีบก็คือกระหอบมาเยี่ยมแกที่โรงพยาบาลเพราะ อ, อะไรเพราะว่าไปเห็นแกมาทวงเงินตัวอยู่โรงพยบาบาลนะแต่ว่าไปทวงเงินเพื่อนบ้านซึ่งยืมเงินไปแล้วยืมเงินไปสิบปีแล้วไม่ยอมคืนทักทีไม่รู้ไปทวงได้ยังไงนะใจมันห่วงมากเลยนะห่วงมากก็ไปทวงนะคงเกิดเป็นภาพอะไรบางอย่างที่ทําให้เพื่อนบ้านคนนั้นนึกว่า ยายคนที่ตายแล้วที่จริงกันไม่ตายนะแต่ใจมันห่วงมากมันห่วงแล้วก็ไปไปโพเป็นภาพให้ให้เพื่อนบ้านเห็นคนเรานี่อยู่อย่างไรก็ตายอย่างนั้นนะก็คือว่าถ้าถ้าเป็นคนที่ตนหนีถ้าห่วงทรัพย์สมบัติเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยทรัพย์สมบัติมันก็พยายามที่จะครอบงำจิตใจ หรือว่าบางทีก็ทำให้ตายเพราะทรัพย์สมบัติมีแข่คนหนึ่งนะแกเป็นคนตนหนีมากเป็นพ่อค้าตนหนีมากนะวันหนึ่งแกได้โทรศัพท์จากภรรยาภรรยาบอกว่าตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลที่เข้าโรงพยาบาลก็เพราะว่าเกิดปวดหัวปวดท้องอย่างแรงนะหรือว่าไม่เป็นอะไรพอเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเดาว่าอ า, อาจจะเป็นไส้ติ่งก็เลยตรวจเลือด แล้วก็ทําทําอุจจาระาก็กําลังรออยู่ได้ผลละตรวจผลละผลไม่เป็นอะไรแต่ว่ารอจ่ายเงินพอป่วยได้ยินเนี่ยก็รีบบอกให้ภรรยาเนี่ยรีบนีย อ, อกมาจากโรงพยาบาลเลยไม่อยากจ่ายเงินแล้วก็โทรศัพท์ไปต่อว่าหมอว่าทําไมต้องตรวจอย่างนี้ด้วยไม่เป็นอะไรทําไมต้องเจาะเลือดทาไมต้องอุจจาระนะแกก็ว่าหมอใหญ่เลย ว่าหมอนี่จะหาทางจะคิดเงินจากคนไข้แพงๆไม่ยอมจ่ายแล้วว่าไม่เกียรติที่ต่อมาแกก็เกิดเข้าโรงพยาบาลเพราะแกมีปัญหาเรื่องนิวในถุงน้ำดีก็ผ่าตัดนะแต่มังเอินติดเชื้อตัวเลยต้องอยู่โรงพยาบาลนานพอวันถึงวันทที่แกจอดจะโรงพยาบาล เจ้าที่โรงพยาบาลก็เอาบินเก็บเงินมาให้แกเห็นว่าเป็นลูกค้าชั้นดีก็เอามาเอาบินมาให้ถึงเตียงเลยพอแกเห็นเห็นบินโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอ ก, กชนนะแกช็อกเลยนะตกใจมากแกช็อกตายเลยตายเพราะว่าเสียดายเงินนะอยู่ด้วยความตหนหีก็ตายด้วยความตันหนนะ บางทีมันก็น่าคิดนะคนเราเวลาถ้าเรายึดติดถือมั่นในสิ่งใดเนี่ยโดยเฉพาะยึดติดถือมั่นในทรัพย์ในสมบัติในเงินทองเนี่ยไปยึดมั่นถือม่นว่าเป็นของเราเป็นของเราหรือเป็นของกูเป็นของกูเนี่ยไปไปมาๆนะเรากลายเป็นของมันเงินไม่ใช่เป็นของเรานะเราเป็นของมันไยถึงกับยอมตายได้หรือถึงกับตายได้เพราะว่ากลัวเสียเงินไปหรืออย่างที่เมื่อเช้าที่อาจารย์สมใจเล่า คุณยาอายุ80นะกินไม่ได้นอนไม่หลับจนล้มป่วยเพราะว่าพลอยนะหายไปพลอยหายไปไม่รู้ว่าล้านี่กวาดลงขยะหรือเปล่าอย่างนี้ไม่ใช่พลอยเป็นของเรานะเราเป็นของพลอยถ้าพลอยไปแล้วก็ใจชี่ิเราก็เกือบจะไปด้วยแล้วคนเราเนี่ยถ้ากว่าไม่ไม่รู้เนะืรู้ตัวไปยึดติดถือมั่นนะในทรัพย์สมบัติ เรากลายเป็นของมันทันทีเลยมันจะคอยคอยเล่นงานจิตใจของเรานะไม่ให้ตายสงบจะเรียกว่ามันมาหลอกลอ้ลอเราก็ได้เาั้นเราต้องรู้จักที่จะปล่อยวางนะไม่ใช่มาล่อปล่อยวางตอนจะตายนะแต่ว่าในการดาเนินชีวิตของเรานะต้องต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางอยู่เสมอยึดมั่นถือมัน่นมั่นเมื่อไหร่เนี่ย เราเป็นของมันทันทีจิตใจเราอยู่ในกํา ม, มือของมันทันทีอยู่ในอํนนานาจของมันทันทีสิ่งหนึ่งที่ฝึกให้เราปล่อยวางได้คือเวลาเสียทรัพย์ไปเสียทรัพย์เสียของเงินหายของหายแทนที่จะกลุ้มอากุ้มใจก็ลองถือว่าเออนี่เป็นแบบฝึกหัดให้เรารู้จักปล่อยวางอันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ดีมากถ้าเรายัง มีความเสียดายมีความห่วงกังวลอยู่อันนั้นก็แสดงว่าเรายังมีความยึดติดแสดงว่าเราเป็นของมันไปแล้วแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าตายตอนนั้นก็ จ, จะตายไม่สงบหรือว่าถ้าตายไม่สงบตายไม่สงบไม่พอบางทีไปอาบายด้วยอย่างพระรูปนั้นที่ต้องกลายเป็นเลนการให้ทานก็เป็นวิธีหนึ่งนะในการที่จะช่วยให้เรารู้จักปล่อยวางไม่ใช่ให้ทานกับพระอย่างเดียวนะให้ทานกับคนอื่นด้วยให้ทานกับ คนที่เขาเดือดร้อนนะบางคนนี่เศรษฐีบางคนหรือเศรษฐีนี่บางคนนี่เรื่องให้ทานกับพรานี่เต็มที่นะแต่ว่ากับคนใช้นี่ตนันีถีเหนียวมากนะหรือกับลูกกับหลานนี่ตนีทีเหนียวมากอันนั้นก็แสดงว่าการให้ทานมันไม่ได้ช่วยให้เขารู้จักคลายความปล่อยวางเพราะว่าให้ทานไม่เป็นให้ทานด้วยความอยากจะได้ เข้าตัวอยากจะได้โน่นได้นี่กลับคืนมาให้ทานร้อยอยากได้ล้านกลับคืนมาอันนี้มันไม่ได้ฝึกให้ปล่อยวางต้องรู้จักปล่อยวางนะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแล้วก็จริงๆก็ต้องรวมถึงลูกหลานคนคนใกล้ชิดด้วยนะเพราะว่าถึงเวลาตายก็ไปไม่ได้สักอย่างต้องพร้อมที่จะปล่อยด้วยความมั่นใจว่าเขาจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีเรา เราจะมั่นใจเรื่องอะไรเราจะมั่นใจได้ก็ เ, เ, เพราะว่าเราได้มีเวลาดูแลเขาเต็มที่ ถ, ถึงเวลาเราไปแล้วก็มั่นใจว่าเขาจะอยู่ได้นอกจากความตนหนีความยึดติดในทรัพย์หรือว่าในคนรักแล้วนี่ไออารมณ์อารมณ์โกรธนี่ก็ต้องรู้จักปล่อยนะต้องรู้จักปล่อยด้วยว่าจะไปเก็บเป็นคนเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์ในที่หมายนึกว่า ไม่รู้จักปล่อยวางอารมณ์โดยพระอารมณ์โกรธนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคนที่มีชีวิตยอยู่ด้วยความเป็นคนเจ้าอารมณ์เนี่ยเวลาตายมันก็มันก็ออกมาเหมือนกันนะไอ้ความโกรธอยู่อย่างไรตายอย่างนั้นมีครูคนหนึ่งนะแกเป็นคนเจ้าอารมณ์มากเวลาสอนเด็กก็ใช้อารมณ์กับเด็กนะ เด็กทำอะไรไม่ถูกใจก็ดา่าบางทีก็ลงโทษ ด, ด้วยการตีใช้อำนาจกับเด็กเด็กก็ไม่ชอบนะเวลาเห็นแก่เดินมาเด็กก็จะหนีไม่อยากอยู่ใกล้แวก็เป็นอย่างนี้จนกเกษียณเวลากเกษียณแล้วก็ยังก็ยังใช้อารมณ์อย่างนี้นะกับลูกกับหลานกับคนใกล้ชอบตำหนิชอบหาเรื่องอจับผิด แล้วก็คอยเขี่ยวเข็นคนเรียกว่าใช้อานาจลูกหลานก็ไม่อยากอยู่ใกล้ต่อมาแกเป็นมะเร็งเต้านมมาเป็นมะเร็งเต้านมก็เข้าโรงพยาบาลระหว่างที่ป่วยนี่ก็ไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีลูกหลานมาเยี่ยมเท่าไหร่ก็มาเป็นครั้งคราวเพราะว่ามาแล้วก็โดนอารมณ์ของแกศาสตร์ใส่และแกไม่ได้ใช่อารมณ์กับลูกหลานเท่านั้นนะ กับเมาสกับพยาบาลแกก็ทําอย่างนั้นเรืยเหมือนกันคอยตําหนิคอยว่านะแล้วก็คอยสั่งชี้นิ้วเด้กยความไม่พอใจหาความพอใจได้ยากแล้วก็ชอบนินทาพูดถึงพยาบาลคนนี้ให้พยาบาลคนนั้นฟังคงไม่นินทาเป็นการต่อว่าระบายก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะอยู่ใกล้แกเท่าไหร่ก็ต้องไปดูแลทําตามหน้าที่ แล้วพอแกอาการแกนหนักนี่แกเพ้อนะแกเพอ น, ะพอนี่แกก็จะมองแกก็จะชี้หน้าไปที่หมอบางพยาบาลบ้างแล้วก็พูดคำว่าเริ่มเริ่มหมายถึงอะไรหมายถึงแกติดคำพูดนี้เพราะว่าไปสอนเด็กบังคับเด็กให้ให้เริ่มท่องอาคยานให้เริ่มให้เริ่มอ่านหนังสือเงี้ยใช้อารมณ์ไออารมณ์เก่าๆมก็ออกมา จงทั้งแกตายนะก็ตายไม่ไมสงบตายเนี่ยตอนนั้นก็ไม่มีใครอยู่ด้วยเมื่อเอาเข้าห้องดับจิตพอจอกมาวันรุ่งขึ้นลูกหลานมารับลูกหลานก็ไม่กล้าเข้าไปในห้องรออยู่หน้าหน้าห้องไม่กล้าไปดูหรือไม่อยากไปดูหน้าคนตายเวลาเอาลงลิฟต์ก็ลงลิฟต์คนละตัวศพนะก็ลงลิฟต์ตัวหนึ่งนะ ลูกหลานก็ลงลิฟอีกตัวหนึ่งเรียกว่าเป็นศพที่เหงามากเลยศพที่เหงาเพราะว่าชีวิตที่ใช้อารมณนะ์ทำให้ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้อาอยู่อย่างไรก็ตายอย่างนั้นนะตายด้วยความทุกข์อารมณ์ที่เก็บสะสมไวนะ้มันก็คอยมาเล่นงานเจ้าตัวทำให้ตายไม่เป็นสุขเพราะนั้นใครที่เจ้าอารมณ์เนี่ยต้องระวังนะไออารมณ์ที่เราสะสมเอาไว้นี่ เวลาป่วยมันก็จะเล่นงานทําให้ไม่มีความสงบสุขได้แล้เวลาตายก็ตายไปทรมานเพลเพล้ความไอ้อารมณ์ที่สะสมหรือปรุงแต่งมาตลอดชีวิตเนี่ยก็จะทาให้ความเจ็บป่วยลุกลามหรือรุนแรงขึ้นเพราะว่าไอ้โรคหัวใจก็ดีโรคความดันก็ดีโรคมะเร็งก็ดีมันก็สัมพันธ์กับอารมณ์ได้เหมือนกั น, นก็ทําให้ตายเร็วเข้าก็ได้ ถ้าเราตระหนักนี้เราก็ต้องพยายามนะที่จะรู้จักปล่อยวางซะบ้างทั้งไอ้ของที่น่ายึดน่าใครเช่นเงินทองทรัพย์สมบัติหรือคนรักตลอดจนไอ้สิ่งที่มันไม่น่ารักไม่น่าใครแต่ก็ยึดเอาไว้นะเช่นความโกรธความพยาบาทหรือแม้กรั่ความรู้สึกผิดนะความรู้สึกผิดบางทีความรู้สึกผิดนี่มันก็ทําให้ทรมานเหมือนกัน คุณมอมร า, าได้เล่าว่ามีแม่ชีคนหนึ่งนะแกก็เป็นคนที่เคร่งในศีลมากวันหนึ่งซักจีวรซักเสื้อผ้าประกอบไปไปเห็นหมดตายอยู่ในกละมังจิตใจแกเศร้าหมองมากเลยเพราะรู้สึกศีลทะลุแล้วทําปณฏิบัติที่จริงแกไม่ได้ตั้งใจนะมันก็ไม่ใช่ปณนฏิบัติแต่ว่าความยึดติดถือมั่นก็ทําให้จิตใจแกเศร้าหมอง แค่แกก็คิดแต่เรื่องเนี้ยบอกว่าเราจะนั้นแค่วันสองวันแกก็ตายกันทันทันปรากฏว่าอันนี้อาจารย์สิงทองก็เล่ามาอีกทีบอกว่าไอ้มด ต, ตัวเล็กๆนี่ชุดแม่ชีลงอบายเลยความรู้สึกผิดที่ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางนั่นต้องฉลาดในการที่รู้ทันไอความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจด้วยนะเดี๋ยวพอเวลาที่จะตายนี่มันจะมีความรู้สึก หลายอย่างเกิดขึ้นทั้งความเสียดายทั้งความอาลายัยทั้งความทั้งความโกรธหงุดหงิดโทสะนั้นถ้าเรามีสติทันก็วางได้ปล่อยวางได้จะทํางั้นได้นี่นก็ต้องฝึกเหมือนกันนะเพราะงั้นการเจริญสติก็เป็นเรื่องสําคัญการเจริญสติมาวัดนี่ก็ให้ใช้โอกาสในการเจริญสติแล้วก็ให้มัน กลมเกลืนไปกับชีวิตประจำวันกลับไปทำที่บ้านทำให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตให้การทำความดีการหลีกหนีความชั่วการฝึกจิตให้ปล่อยวางรวมทั้งการเจริญสติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่เป็นประจําซึ่งถ้าเราทำแล้วเนี่ยเราก็มีความสุขในขณะที่มีชีวิตตามปกติหรือเวลามีเหตุร้ายวิกฤตในชีวิต ก็ทําให้รับมือกับมันได้โดยที่ใจไม่ทุกข์แล้วถึงเวลาที่เราจะตายก็ไปสงบได้มันไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราฝึกเอาไว้อยู่เป็นประจํานะความตายจะเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวไอ้ที่ที่กลัวกันเพราะว่าเราไม่ได้ตัดเตรียมมาไว้เลยนะถ้าตัดเตรียมมาไว้นะมันก็การตายก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าจะเรียกว่า ง, งดงามก็ได้สงบก็ได้มี ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเล่อยฟังเช้านี่ตื่นมาตีห้าก็จะเห็นแม่กับยายเนี่ยอยู่ในห้องครัวเพื่อที่จะเตรียมอาหารถวายพระบินทบาทแต่ตัวแกเองเนี่ยต้องไปทำงานแต่เช้าเพราะว่ากรุงเทพมีรถมันติดตั้งแต่หกโมงก็ติดแล้วแกก็ต้องรีบไปก็ไม่ค่อยได้ใส่บาตรวันหนึ่งตื่นมาเห็นแต่แม่อยู่ในห้องครัวเอายายไปไหน ไม่รู้ยายเป็นไหนก็เลยไปเรียกไปถามยายที่หน้าห้องยายก็ตอบมาว่าวันนี้ไม่บินธบัตินะไม่ใส่บาทนะอยากจะสวมดมนต์นั่งสมาธิหลานสาวก็เลยถามว่ายายจะเอาอะไรไหมกลับมาจะซื้อมาให้ยายก็บอกว่าไม่เอาอะไรแล้วหลานสาวก็ไปโดยที่ไม่ได้เฉเลียวใจอะไรสายๆ ย, ยายก็ยังไม่ออกจากห้องแม่ไปเรียกก็ไม่มีเสียงตอบ ก็เลยเปิดประตูเข้าไปเห็นยายนุ่งขาวห่วมขาวนั่งพิงเสาอยู่ในท่าสมาธินึกว่ายายนั่งหลับพอเรียกแล้วไม่ตอบก็เลยเอามือจับจับตัวยายยายนี่คือแม่ของคนก็แม่เขานั่นแหละปรากฏว่าพอจับยายก็ร่างกายยายก็ล้มลงมาเลยหมดลมไปละตายในท่านั่งสมาธิ ฉันถามว่ายายรู้ไหมว่าวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของแกแตมาว่าแกคงรู้นะเพอถ้าแกไม่รู้แกคงจะไปใส่บาตรตามปกติเพอแกไม่เคยขาดแต่ว่าวันนั้นเนี่ยแกตั้งใจที่จะไม่ใส่บาตรละจะนั่งสมาธิสวดมนต์พอแกรู้แล้วว่าแกจะไปมันก็น่าคิดต่อไปว่าเออแล้วทําไมไม่ล่าลาไม่สั่งเสียลูกหลานล่ะ ก็คงเป็นเพราะว่าแกไม่รู้ว่าจะลำลาสังเสียไปทำไมเพราะว่าอะไรที่ควรทาก็ทาเสร็จหมดแล้วอะไรที่ควรพูดก็พูดหมดแล้วนะก็พร้อมจะตายคนหลายๆคนเนี่ยไม่อยากจะตายคนเดียวยอยากจะตายท่ามกลางลูกหลานแต่ว่าคุณยายคนนี้แกไม่มีความจำเป็นไม่รู้สึกว่ามีความจำเป็นต้องทำแบงนั้นเพราะว่าพร้อมแล้วไม่ต้องมีใครมาให้กำลังใจก็ได้ พร้อมที่จะตายวันนั้นก็ก็เลยตายอย่างสงบตายคนเดียวโดยที่ไม่ไม่บอกใครทั้งทัที่รู้ว่าอาจจะเป็นวันสุดท้ายของตัวเองอันนี้เป็นเรื่องคนที่พร้อมนะที่จะตายเพราะเขาทําความดีนะทำบุญกุศลมาเรียกว่าครบถ้วนแล้วหน้าที่ที่ควรทํากับลูกกับหลานนี่ก็เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น ก็ไปแบบสบายไม่ต้องสั่งเสียไม่ต้องล่ําลาใครทั้งสิ้นเราก็ไม่ต้องให้ใครมาให้กําลังใจเพราะว่าย้ายคงร่วงคนเราเกิดมาก็มาคนเดียวเวลาไปก็ไปคนเดียวอันนี้จะเป็นเรื่องคนที่เขาพร้อมไม่ใช่พร้อมเฉพาะตอนจะตายแต่ว่าชีวิตของเขาก็เรียกว่าดําเนินมาเพื่อเสมือนกับว่าพร้อมจะตายได้ทุกเวลาเพน้มือถึงเวลาตายก็ไปอย่างเบาไปอย่างส ง, สงบ ในที่จริงเมื่อสามปีก่อนก็มีก็มีโยมคนหนึ่งนะ ค, คล้ายๆกันนะแกมาเสียชีวิตที่นี่เป็นเป็นมะเร็งปอดเป็นผู้หญิงอายุห้าสิบไม่ได้สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งปอดหลังจากที่รู้ว่ารักษาไม่หายแล้วแล้วก็อยู่ในระยะสุดท้ายแกก็มาขอใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่นี่นะมาพักกุฏิใกล้ๆใกล้ๆหอใจนี่แหละเพื่ออะไรเพื่อได้ฟังพระ สวดมนต์ฟังพระเทศเมื่คนที่ตัดสินใจที่จะมาตายในวัดนี้ก็มีน้อยนะส่วนใหญ่จะตายที่โรงพยาบาลเพราะว่ามันใกล้หมอใกล้พยาบาลใกล้เทคโนโลยีแต่ว่าโยมคนนี้นะซึ่งมาวัดป่าสุขโตตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีอะไรเลยนะคือตั้งแต่ปีสองแปดตัมาก็เห็นกันมาอยู่สม่ำเสมอ ก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างค่ําเคร่งอะไรแต่ว่าก็ใส่ใจการปฏิบัติและพอเวลาตายก็อยากจะมาตายในสถานที่ที่เคยมาปฏิบัติอยากจะฟังพระเทศพระสวดมนต์ตอนนั้ที่ไกลหมอนแกก็ไม่กลัวก็มีแค่น้องสาวมาดูแลน้องสาวเก่งมากดูแล24ชั่วโมงเคยถามว่าแกมีอะไรกลัวไหมแกไม่กลัวไม่มีอะไรกังวล อาจจะ ก, กังวลนิดหน่อยว่าตอนตายจะสงบไหมธรรมาก็ถามว่าแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ไม่กังวลในอะไรเลยเออนั่นแหละถ้าตอนนี้ไม่กังวลถึงตอนนั้นมันก็ไม่มีอะไรต้องกลวัวเหมือนกันเพราะว่าสติจะมาช่วยก็เป็นมะเร็งนะั่นมะเร็งมันลาเป็นก็ดูกนะแต่ว่าอาศัยสมาธินะช่วยนะไม่มีการใช้ยาแก้ปบบวดมีแต่ออกซิเจน แก่ก็รู้ตัวได้เกิดไปตลอดไอ้ความปวดทําอะไรแกไม่ได้เลยความกลัวก็ไม่สามารถทำอะไรแก่ได้วันที่แกตายนี่ตอนเช้ายังบอกให้น้องสาวไปตักอาหารในครัวน้องสาวก็ทําตามที่พี่สาวว่าไปตักอาหารในครัวกลับมาเอา้าแต่นิ่งไปละนึกว่าแกหลับไปที่จริงแกไปแล้ว ระยะเวลานั้นก็ห่างกันไม่ถึงยี่สิบนาทีเลือกไปอย่างสงบมากแก่ไปแบบที่เราไม่ไม่ต้องไม่ต้องรำลาใครแล้วก็ไม่ไม่ต้องมีใครมาอยู่ลอ้อมหลายล้อมก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องอีกคนนึงคนคนที่เขาเรียกว่าพร้อมจะตายเพราะว่าได้ได้ทําสิ่งที่ควรทําแล้วก็ได้ปฏิบัติทำมาตลอดถึงแม้ว่าเป็นคนที่ทํามาหากินนะแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งทําไม่ได้ทิ้งสติ มันก็ช่วยทําให้สามารถจะอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไปได้อย่างสงบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พวกเราได้มีโอกาสมาวัดเนี่ยนะมันก็เป็นโอกาสในการที่เราจะได้เตรียมตัวไม่ใช่แค่มาทําบุญถวายทานแต่ว่าควรเป็นโอกาสสำหรับการปฏิบัติเพื่อที่จะได้เข้าใจชีวิตอยู่อย่างโปรงเบ้านะเวลาไปก็ไปอย่างสบาย อ่าลราก็เพื่อนเท่านี้